น้อมน้อมต่อคุณพระรัตนตรยัยพรกาสหลวงพ่อกรมพระอาจารย์หลวงวิทย์เพื่อนสนะเมิงทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและยาติธรรมทุกท่านหลวงพ่อคำเขียนได้บอกไว้ว่าวันพรุ่งนี้มีอยู่จริงแต่ว่า <c oughs> ไม่มีใครเห็นวันพรุ่งนี้มีแต่เห็นปัจจุบันเนาะจริงๆแล้วชีวิตเรา ทั้งชีวิตนะมันจะมีอยู่แค่ขณะนี้เท่านั้นเองนะก็คือเวลานี้นั่นแหละที่นี่เดี๋ยวนี้นะเท่านั้นเองนะมันไม่ได้มีเวลาอื่นใดนะเหมือนกับวันพุ่งนี้จริงๆก็ไม่มีนะพอไปถึงวันพุ่งนี้มันก็กลายเป็นวันนี้อีกแล้วนะหรือแม้แต่เมื่อวานก็ไม่มีนะเมื่อวานเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้ว แล้วมันก็อยู่แต่ในความคิดของเราเท่านั้นเองเพราะนั้นจริงๆแล้วโลกโลกทั้งโลกนะั้นมันมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันมีอยู่แค่ในภาษาของเราเท่านั้นเองเนาะภาษะคืออะไรภาษาก็คือการที่เห็นรูปนี่แหละการที่เราเห็นรูปนี่ก็คือโลกของเราขณะนี้เท่านั้นเองนะ เห็นเห็นคนนั่งอยู่เห็นพระเห็นญาติโยมเห็นมั้ชีต่างๆอันนี้คือความจริงในปัจจุบันนี้และนี่ก็คือโลกเราอยู่แค่นี้เท่านั้นเองเพราะเมื่อเราหลับตาไปโลกก็จะหายไปจากเรานะมันก็จะไปปรากฏที่อื่นปรากฏทางหนะูหูเราได้ยินเสียงต่างๆเกิดขึ้นอันนี้ก็คือความจริง ของโลกในปัจจุบันนี้นะนะเราได้ยินเสียงต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเสียงมันเงียบหายไปมันก็หลุดออกไปจากโลกอีกแล้วนะมีคำกล่าวว่า เ, าเสียงที่ดังที่สุดในโลกคืออะไรเสียงดังที่สุดในโลกก็คือความเงียบนั่นเองเนาะเพราะนั่นคนที่ตาบอดนี่เาก็เหมือนกับโลกเขาก็หายไปส่วนหนึ่งแล้วนะอ่า เขาก็ได้ยินเสียงเป็นหลักหรือคนที่หูหูหูนวกโรคของเขาก็หายไปอีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเขาก็จะไปมองเป็นหลักมันเกิดจากภาษาโลกมันเกิดจากภาษาเราเพราะเราจะมีภาษาในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละคือภาษาของเราแล้วโลกของเราจริงๆมันก็อยู่แค่นี้เท่านั้นเองเนาะเราไปทานอาหารมีรสอร่อย มันก็ปรากฏโลกของเราในขณะนั้นอีกแล้วในขณะนั้นมีความอร่อยหรือไม่อร่อยมีความชอบหรือไม่ชอบปรากฏขึ้นในขณะนั้นโลกของการได้กลิ่นก็เหมือนกันนะอาการกระทบผัสสะในทางร่างกายนะบางทีเราถ้านั่งอยู่เฉยๆเราหลับตาหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะรู้สึกว่ารอบๆตัวเรามันจะสัมผัสได้ชัดขึ้นเนาะ เพราะเมื่อเราปิดเจ น, นะทางตาลงไปนะวความรู้ผัสสะในทางร่างกายก็จะชัดขึ้นจะรู้นะก้นกระทบพื้นนะหรืออากาศที่มันเย็นๆนะนะหรือเสียงที่มาผ่านมาเข้ามาตรงนี้มันก็อาจจะชัดขึ้นอันนี้ก็คือโลกของเราอยู่ในผัสสะนะ และที่โลกของเราจริงๆแล้วมันอยู่ในความคิดนั่นเองนะเาเรียกว่าเป็นมโนวิญญาณนะมันเป็นความคิดโลกของเรานี่อยู่ในประมาณครึ่งหนึ่งนะเป็นโลกของความคิดนะคือจริงๆแล้วนะี่สิ่งต่างมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้นะแต่เมื่อปรากฏในความคิดเราแล้วมันจะกลายเป็นมีจริงขึ้นมาเช <c oughs> ่นตอนนี้ถ้าเรา <c oughs> ไปคิดถึงผูที่อยู่ที่บ้านเรานะ จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีอยู่ในความคิดเราไม่มีตัวตนนะแต่เมื่อเราไปคิดถึงอ <c oughs> ผู้ที่อยู่ที่บ้านเราเขาจะปรากฏมีตัวตนขึ้นมาทันทีเลยนะมีในความคิดเรานั่นแหละสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่ปรากฏขึ้นมาในใจเราเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมานะในขณะเดียวกันสมมุติว่าคนที่เราคิดถึงนี่ก็ไม่อยู่ในโลกแล้วนะก็ไม่มีตัวตนแล้วนะ จริงๆแล้วเขาก็ไม่มีแล้วในโลกนี้แต่มันก็ยังอยู่ในความคิดของเราอยู่นะหรือแม้แต่จริงๆแล้วคนที่จากเราไปนานแล้วหลายปีแล้วนะเขาก็ไม่มีแล้วไม่มีตัวตนแล้วแต่ก็ยังมีตัวตนอยู่ในความคิดเราอยู่นะตรงนี้ก็คือโลกโลกของเราอยู่ในความคิดเป็นส่วนใหญ่นะบางทีเรื่องต่างๆเนียดนะีที่ผ่านมาแล้วยาวนานเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความทุกข์ หรือมีความสุขต่างๆเราก็ไปดึงขึ้นมานั่นนั่นก็เป็นโลกของเราที่ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทั้งทั้งที่มันก็ผ่านไปแล้ว <c oughs> มันไม่มีอยู่จริงแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันเป็นแค่ปรากฏขึ้นมาในความคิดเราเท่านั้นเองนะเรื่องในอนาคตก็เหมือนกันนะมันก็ปรากฏขึ้นมาต่างๆนะเราจะไปจะไปเที่ยวต่างประเทศยังไม่ทันไปเที่ยวเลยนะมันก็จินตนาการไปแล้ว ปรากฏภาพต่างๆที่เราอาจจะเคยรับรู้ต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจเรามันเป็นสิ่งที่นานนาโคตแต่ว่ามันเป็นโลกในปัจจุบันของเราทั้งทั้งนี้มันยังยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะเพราะฉะนั้นโลกทั้งโลกนี้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในปรากฏขึ้นมาในใจเราเท่านั้นเองเนาะเพราะว่าผัสสะใดๆก็แล้วแต่ตาหูจมลิ้นกายมันก็มารวมที่ใจใจนี่แหละคือโลกของเรา โลกเราจากจินตนาการหนะ้าที่เกิดจากภาษาทั้งหลายแล้วก็มารวมกันแล้วเราก็ไปปรุงไปแต่งไปยึด ต, ติดยึดมั่นถือมั่นในความที่มันไม่จริงกลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะกลายเป็นความยึด ต, ติดเป็นตัวเป็นตนเป็นพบเป็นชาติไปนะมันจึงต้องรู้เท่าทันในขณะปัจจุบันบ้าขณะ น, นี้นะมีอะไรเ <c> ก <oughs> ิดขึ้นปรากฏขึ้นมาในใจเราบ้างเนาะ เพราะว่าทั้งหมดทั้งหมดแม้แต่กายเราที่กระทบพื้นก็แล้วแต่นะมันเป็นเรื่องกาย <c oughs> แต่จริงๆแล้วสิ่งที่รับรู้ก็คือวิญญาณธาตุก็คือใจนั่นเองนะใจในเป็นผู้ที่ไปรับรู้ในสภาวะธรมทุกๆอย่างแล้วถ้าเราสามารถสังเกตใจของเราได้นะเราจะเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นนะก็คือความพอใจนะเมื่อตาเห็นรูปนะเกิดความพอใจนะหรือเกิดความไม่พอใจ นะหรือเกิดความเฉยๆนะหูได้ยินเสียงนะก็จะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยๆนะมันเป็นความรับรู้หรือว่าไม่สนใจเท่านั้นเองมาบางทีตาเราเห็นรูปนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็มีมาบางคนเดินผ่านหน้าไปนะถ้าเราไม่สนใจไปคิดเรื่องอื่นเราก็ไม่รู้ว่าใครเดินผ่านหน้าไม่รู้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดินผ่านหน้าไป เพราะว่าใจไม่ได้ไปให้ค่าไม่ได้ไปสนใจในสิ่งต่างเหล่านั้นนะอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยไปรับรู้แล้วว่าสนใจไหมนะ <c oughs> เพราะนั้นในสมัยพุทธกาลก็จะมีท่านปติละเนี่ยท่านปดิละนี่เป็นเป็นผู้ที่มีลูกศิลูหามากท่านจะเป็นนักเทศท่านสามารถที่จะเทศให้ผู้ผู้ฟังมาลุทมได้นะเป็นพระอรหันต์ไปไหลไหลท่านแล้ว <c oughs> แต่ตัวท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมเลยเลยท่านก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอาใบลานเปล่ามาแล้วหรืออใบลานเปล่าอจะกลับแล้วหรือท่านก็มีความสะกุลสกิดใจทําไมพระพุทธเจ้ามาเรียกท่านว่าเป็นใบลานเปล่าเนาะท่านก็มาพิจารณาตัวท่านเองบ้าท่านก็เทศให้คนอื่นฟังเข้าใจเป็นพระอรหันต์ต้องเยอะแยะแต่ตัวท่านเอง <c oughs> ยังไม่ได้บรรลุเป็นไรเลย ท่านก็เกิดนะความเรียกว่ารู้สึกลายใจนะก็เลยตั้งใจจะไปบัตธรรมครนี้ก็พยายามไปหาครูบาอาจารย์ต่างๆเนาะก็ไปหาพระต่างๆก็ไม่มีใครที่จะรับเป็นอาจารย์เพราะว่ารู้ว่าท่านมีทิฏฐิมานะเยอะเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็ไม่ยอมรับฟังแน่นอนอไปขอใครฟังธรรมหรือว่า เป็นอาจารย์ก็ไม่มีใครรับสักคนหนึ่ง <c oughs> จนตอนหลังก็มามาหาเนนนะเนนเป็นพระรหันต์เนี่ยขอให้อ่าแสดงธรรมให้ฟังเนนก็รู้ว่าท่านปกตินี่มีทิฏฐิสูงก็จะทำอย่างไรจรึงจะให้ลดทิฏิในตรงนี้ลงมาก็ลองดูว่าจะลดได้ไหมก็เลยบอกให้เดินลงไปในกลางสระน้ำดูน ะ, ะเดินลงไปทั้งจีบอเลยนะเดินลงไป ได้ถึงหน้าอกแล้วนะก็ยังให้เดินเราไปเรื่อยๆจนน้ำเกือบจะถึงที่คางก็บอกให้ขึ้นมาแสดงว่าเออใช้ได้ไม่มีทิฏฐิแล้วนะบอกในเรื่องที่ไร้สาระก็ยังทาตามเลยนะก็ขึ้นมาแล้วก็สอนบอกว่าในในจอมปลวกนะ ม, นมันมันมีตัวตะกรวดอยู่ตัวหนึ่งนะแล้วมันมีรูอยู่หกรูนะเราจะจับตะกรวดได้อย่างไร คราน้นี้ท่านโปเดลาก็คิดดูนะก็ยังนึกไม่ออกนะว่าจะจับได้อย่างไรนะจะไปปิดรูนั่นมันก็ออกรูนูน้นนะจะไปคอยจับมันก็ไม่รู้จะออกรูไหนใช่ครันะ้นี้ซามเองบอก ว, ว่าวิธีจับตะกวดก็คืออ่านะมันมีอยู่6รูนะก็ปิดไป5รูมันก็ยังเลอยู่รูเดียวนะเพราะฉะนั้นตะกวดมันต้องออกมารูนั้นแน่นอนนะเพิ่อมันออกมารูนั้นเราก็จับในรูนั้นแล้วนะ ให้ท่านโพธิละไปคิดดูว่าเป็นอย่างไรท่านโพธิละก็มาด้วยความที่เป็นนักแสดงธรรมมาก่อนนะเป็นนปริยัติมาก่อนก็เลยมามาใคร้ควรดูก็เลยเข้าใจใรูหกรูนะั้นมันก็คืออายตรนะทั้ง6นั่นเองนะคือตาหูจมูกดินกายใจนี่แหละมันก็ทั้งหมดเนี่ย ม, มันสามารถที่จะออกได้ทุกๆรูเลยเนาะก็คือเดี๋ยวว่าตาไปเห็นลูกหูได้ยินเสียงต่างๆแล้วเนี่ย แต่ถ้าหมดนะั้นมันมารวมกันที่รูเดียวก็คือรูใจใจนี่ใจรับรู้ทุกอย่างได้อยู่ที่ใจเท่านั้นเองเนาะเพราะนั้นท่านก็เลยเข้าใจว่าออจริงๆแล้วว่าให้มาสังเกตดูใจที่มันมีความคิดมีความเคลื่อนไหวมีอะไรเกิดขึ้นในใจก็ให้รู้ทันอยู่เรื่อยๆโดยอาศัยอายตระหทั้ง6นี่แหละเป็นประตู เมื่อมันสามารถที่จะรู้เท่าทันอยนายตนะทั้งหกที่ไปผัสสะภายนอกได้นะจิตมันจะก็จะเข้าใจในความเป็นจริงของโลกนี้ทั้งโลกนะมันเข้าใจทั้งโลกพระโลกนี้ทั้งหมดมันก็คือใจเราทั้นั้นเองเมื่อเราเข้าใจโลกแล้วมันก็จะวางโลกได้นะโลกทั้งหมดก็คือกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นแหละใจก็จะวางได้ใน ส, สุดก็จะพ้นทุกได้นะ หลังจากที่ท่านเข้าใจช่นนี้แล้วท่านก็มาเจริญในการที่เรียกว่าฝึกฝนในการที่จะอบรมใจในการจะดูใจตัวเองและในขณะเดียวกันก็มีสติรู้เท่าทัานอายตนาทั้ง6ที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงผลทัพอธมอารมณ์ก็เป็นการเจริญสติที่จะรู้เท่าทัานในขณะนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายและใจเมื่อท่านสามารถสังเกตกายและใจได้ชัดเจนท่านก็เป็นบรรลุเป็นพระรหันในเวลาต่อมา นะเพราะฉะนั้นท่านปุตติละก็หลังยังเมื่อก่อนที่เป็น อ, อใบลานเปล่าตอนนี้ท่านใบลานไม่เปล่าแล้วนะท่านก็เป็นพระรหันต์แล้วโดยการที่ว่าสามารถสังเกตกายและใจตามความเป็นจริงนั่นเองเนาะตรงนี้ก็คือถ้าเราสังเกตได้ไหมว่าจริงๆแล้ว เ, เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใจหรอกนะไม่ต้องไปคอยสังเกตใจ <c oughs> แต่ว่ามาสังเกตกายแทนนะสังเกตกายอย่างไรนะ จริงๆแล้วมันไม่ได้สังเกตอะไรเลยง่ายนิดเดียวนะให้ให้ก็รู้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองนะปัจจุบันนี่แหละคือความจริงอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้มีเวลาอื่นนะมันมีเวลาในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็คือปัจจุบันในขณะนี้เท่านั้นเองเราสามารถสังเกตกายและใจในขณะปัจจุบันนี้ได้ไหมใช่ไหมเรากอ็อยู่กับปัจจุบันให้ได้ในขณะนี้นะ เรานั่งเนี่ยเรานั่งเรารู้ไหมว่าเรานั่งใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าขณะนี้เรานั่งนี่เราปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วนะเขาว่าอันนี้คือปัจจุบันของเราในขณะนี้เรานั่งเราไอเรารู้ไหมว่าเราไอใช่ไหมถ้ารู้รู้ว่าขณะนี้เราไอนะเราอยู่กับปัจจุบันแล้วหรือเราได้ยินเสียงนะเราเรารู้ไหมว่าขณะนี้ได้ยินเสียงเราฟังเสียงเรารับรู้นี่ก็คือปัจจุบันของเรานะ ปัจจุบันเป็นสิ่งที่มันออกจากความคิดนะมันไม่ต้องอาศัยความคิดแต่เป็นแค่ตัวรู้เท่านั้นเองนะมือนก็เรายกมือนะเราไม่ต้องมาคิดว่าเรากําลังยกมือยกมือขึ้นยกมือลงนะหรือนั่งก็ไม่ต้องคิดว่ากําลังนั่งนะได้ยินเสียงก็ไม่ต้องคิดว่ากําลังได้ยินเสียงไอก็ไม่ต้องคิดว่ากาลังไอแต่ว่าเป็นแค่รู้เฉยๆนะเป็นแค่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้ออกจากความมันไม่เป็นสิ่งที่มันออกจากความคิด เอามาเป็นแค่รู้เท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นอดีตเราก็ต้องมีคิดนะอย่างเมื่อวานเราทานข้าวกับอะไรนะต้องเป็นนึกแนละเออทานข้าวกับอะไรมีแกงมีผัดมีกับข้าวมีขนมนะนี่ต้องใส่ความคิดดึงเข้ามาเรื่องปรอดีตทั้งหลายหลานะไม่ใช่ทานข้าวอย่างเดียวจะทำอะไรก็แล้วแต่พบใครไปเจอใครคุยกับใครต้องศัยความคิดดึงเข้ามาทั้งนั้นเลย หรืออนาคตนะจะไปพบใครจะไปคุยกับใครจะไปทำอะไรจะไปทำกับข้าวอะไรดีมันก็ต้องอาศัยความคิดดึงเข้ามาทั้งนั้นแต่ปัจจุบันนี่มันไม่ต้องอาศัยความคิด <c oughs> มันเป็นแค่รู้ <c oughs> ร, รู้รู้เฉยๆรู้กับปัจจุบันนี่แหละรู้ไปตามความเป็นจริงเนาะ <c oughs> เพราะนั้นถ้าเราออกจากความคิดได้นะมัน <c oughs> มันจะเหลือแค่รู้เท่านั้นเอง มันมันจะมีอยู่สองอย่างในจิตเราก็คือรู้กับหลงรู้รู้กับหลงการที่เรารู้อยู่กับปัจจุบันเช่เราเรานั่งอยู่หรือเรายกมืออยู่นี่แหละคือปัจจุบันของเราแต่ปเดี๋ยวนี้เข้าไปคิดล ะ, ะคิดไปถึงบ้านคิดไปถึงเพื่อนมันก็หลุด จ, จากปัจจุบันแล้วนะหลุดไปเข้าไปในความคิดนั่นแหละอันนี้ก็เรียกว่ามันหลงไปหลงไปในความคิด อเป็นตัวหลงนะอหลงเข้าไปแล้วนะหรือมันหลุดไปแล้วจากปัจจุบันเพราะมันความคิดนั้นมันเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่มันหลุดไปจากปัจจุบันมันจะไหลเข้าไปในอดีตหรืออนาคตหรือเป็นความปรุงแต่งก็แล้วแต่นะมันหลุดถือว่ามันหลุดจากปัจจุบันแล้วแต่ถ้าในขณะ น, นี้เรามีความรู้ว่าขณะนี้เรากําลังคิดไปเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ได้เรารู้ว่าขณะนี้เรากําลังคิดไป นั่นแหละเราอยู่กับปัิจุบันอีกครั้งหนึ่งแล้ว <c oughs> อยู่กับปัจจบันอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่านี่แหละมั น, ม, นมันไม่ได้หลงแต่มันเปลี่ยนเป็นรู้นะมันอยู่กับปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่ารู้เนี่ยก็คือรู้ในปัจจุบันว่าขณะนี้กําลังหลงไปในความคิดนะ <c oughs> หรือเราได้ยินเสียงนะคนไอนะหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่นะอ เราก็หลุดเข้าไปไหลจิตไหลเข้ามาในเสียงละนะอันนี้ก็เมื่อมันหลุดไปเนี่ยมันหลุดจากปัจจุบันอันนี้ก็แล้วเราหลงไปนะอแต่ในขณะนั้นเราเกิดรู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าตอนเนี้เรากำลังฟังเสียงอยู่อันนี้มันเป็นปัจจุบันในขณะนั้นแล้วอันนี้มันไม่หลงนะนะเหมือนกับตาเห็นรูปนะตาเห็นรูปเราอาจจะเออไปบัติธรรมอยู่เห็นคนเดินไปเดินมาเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาใจมันก็ไหลเข้าไปออกไปข้างนอก ไปอยู่ที่รถอยู่ที่คนอันนั้นมันก็หลงไปแล้วนะหลุดไปจากปับันนี่มันหลงไปแล้วแต่ในขณะนั้นเรารู้ว่าขณะนี้เรากำลังมองอยู่นะมันเป็นนี่แหละเป็นปัจจุบันนี้เรารู้กำลังมองอยู่อันนี้ก็ไม่หลงมันไม่หลงนะเพราะนั้นจิตเนี่ยสามารถที่จะหลุดจากอาชนาทั้งหได้ในรูปรสกลิ่นเสียงผดผาดลมการทานอาหารก็แล้วแต่จะหลงก็ไปนนรสชาติแต่เรารู้ว่าขณะนี้กาลัง ทานอาหารอยู่กำลังหลงมันก็ไม่หลงแล้วนะ <c oughs> การนี้มันหลงไปนั่ละมันออกจากความจริงออกจากความจริงอะไรคือออกจากความจริงในขณะปัจจุบันนะี้มันหลุดเข้าไปในความคิดนะในความปรุงแต่งนะมันสามารถที่จะกลับมาได้ไหมคือกลับมารู้ได้ไหมมันไม่ต้องกลับมานะ <c oughs> แค่เรารู้<ๆ>เท่านั้น gy, ว่ามันหลุดไปมันก็จะกลับมาแล้วรู <c oughs> ้ว่ามันหลุดไปแค่เรารู้ว่ามันหลุดไปมันก็จะกลับมาแล้ว อยู่กับปัจจุบันมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายจริงๆมันไม่จะเป็นเรื่องยากอะไรนะมันแค่รู้ว่ามันหลุดไปมันก็กลับมาแล้วไม่ต้องไปไม่ไม่ไม่ต้องไปบังคับให้เขากลับมาแต่อย่างใดเพราะจิตมันมีกําลังในการที่ว่าเขาเมื่อเขาอยู่กับปัจจุบันจริงๆเขาจะกลับมาได้เอง น, นอกจากว่าขณะนั้นเขาจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเขาก็จะไม่กลับมาเพราะฉะนั้นความจริงการอยู่ปัจจุบันนี่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากแต่อย่างใดเลยนะ เราแค่รู้ไปตามความจริงในปัจจุบันแต่ละขณะแต่ละขณะนี่แหละนะคร น, นี้นะ่ยความคิดต่างๆเราจะมีความคิดต่างๆมากมายเลยน ะ, นะอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะการที่เราไปคอยห้ามความคิดนะเป็นเป็นสิ่งที่ผิดนะมันเป็นสิ่งที่ผิดที่เราไปคอยห้ามความคิดแต่เพียงแต่เรารู้ว่าขณะนี้เราคิดไปเท่านั้นเองนะเรารู้บ่อยๆนี่ยแหละเขาก็จะอยู่กับปัจจุบันเอง แค่รู้เฉยๆนะไม่ต้องไปดึงเขากลับมานะทุกอย่างนี่มันจิงอ ย, อยู่ที่ว่าเราแค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองรู้เฉยๆโดยที่ใจเป็นกลางเราไม่ไปแทรกแซงกับอะไรทั้งสิ้นนะเรามีความคิดก็ไม่จะเป็นความผิดของเราเราก็รู้เฉยๆว่าขณะนี้มีความคิดเกิดขึ้นแล้วนะเราแค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองนะมันมีอณิสงมากเลยมันจะเห็นว่าแม้แต่ความคิดนั้นนะเราก็บังคับก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมเราจะให้เขาหยุดคิดก็ไม่ได้ใช่ไหม เราจะเห็นความจริงอของ อ, อ น, นิสงฆงแห่งการอยู่กับปัจจุบันจริงๆบ้าง น, นี่แหละมันคือความจริงตรงนี้ขณะนี้มีความคิดเกิดขึ้นแล้วนะพอเรารู้เฉยๆปั๊บ ม, มันไม่หยุดคิดไม่เป็นไรเราจะรู้ว่าเราบังคับก็ไม่ได้นะเราจะเห็นตรงนี้ว่าเออเราบังคับก็ไม่ได้นะเขาไม่หยุดคิดก็บังคับก็ไม่ได้ได้ไหมในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้ว่าอีกนาทีหนึงข้างหน้าเขาจะคิดอะไรด้วยนะ เราจะเห็นว่าเราบังคับก็ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าอนาคตเขาอยากคิดอะไรนะหรือจริงๆแล้วให้เขาหยุดคิดสัก5นาทีก็ยังไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเราเมื่อไรที่เราเริ่มบังคับเขาแล้วนะมันจะกลายเป็นตัวเป็น ต, ตนของเราว่าเราสามารถที่จะไปจัดการเขาได้ในความคิดนะให้เขาหยุดคิดก็ได้นะให้เขาเป็นไปตามที่ต้องการนะให้เขา สิ่งต่างนะให้เขาเป็นไ ป, นปนตามที่เราต้องการนันเองมันกลายเป็นว่าเราไปบังคับเขามันกลายเป็นสมถะแล้วเราก็ไม่เห็นตามความจริงว่าเราบังคับก็ไม่ได้กลายเป็นเราบังคับเขาได้นะมันจะกลายเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมาว่าเราบังคับความคิดได้ในสิ่งต่างนะการที่เราแค่รู้เฉยเราจะเห็นความจริงว่าเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปโดยตัวเขาเองนะแต่ถ้าเราไปคอยจัดการให้เขาดับไปเราจะไม่เห็นว่าเขาดับไปโดยตัวเขาเอง นะเพราะฉะนั้นความเป็นความยึดมั่นในวทานในความมันโตตนมันจะมันจะไม่ลดลงนะการมาทําทั้งหลายอะไรละกลับมาเห็นความจริงในพระไตรักษณ์แล้วมันจะมาสรุปตรงนี้ในใจของเรานะใจเรามันมันจะเห็นพระไตรลักษได้ไบ่อยๆในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะแม้แต่ความไม่พอใจก็แล้วแต่นะนะการที่ใครก็มาด่าเรานี่ความจริงเป็นครูเรานะเป็นครูเราให้ให้เราเห็นความจริง ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะว่าใจของเราเนี่ยมันมันไปคิดตรงนั้นบ่อยไหมนะเราจะไปคิดถึงธร้มดาเราบ่อยไหมอ่านะมันจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะเกิดความนะหาเหตุหาผลในตรงนั้นนี่นี่แหละคือความจริงในขณะนั้นให้เราเห็นไปนะเราจะไปหลีกเลี่ยงเขาเพราะนี่แหละคืออาจารย์ของเราแล้วนะจากการที่เราสามารถที่จะเห็นความจริงตรงนั้นบ่อยๆจะเห็นว่าใจเขาทางานได้เอง มันไปโกรธมันไปมันไปไม่พอใจมันไปคิดคำหนึงในสิ่งเหล่านั้นได้บ่อยๆนะตรงเนี้ยถ้าเราเห็นตรงนี้ได้แล้วเราจะจําัภาวะธรรมได้แม่นขึ้นนะมันจะเริ่มการปล่อยการวางได้ทีหลังแต่ในขณะนั้นมันปล่อยไม่ได้หรอกแต่หลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นไปแม้แต่เป็นวันหนึ่งหรือสองวันก็แล้วแต่มันจะเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันบังคับบัญชามันไม่ได้เลยทั้งๆที่เราเจริญสติมาตั้งนานแล้วนะทำไมมันยังมีความโกรธความไม่พอใจอยู่ มันยังคิดนะหาเหตุหาผลต่างๆอยู่น ะ, นะตรงนี้นี่นมันจะเป็นประสบการณ์ในทางจิตของเราว่าเราบังคับก็ไม่ได้จริงๆหรอกเรามีหน้าที่แค่รู้เฉยๆด้านั้นเองนะเขาจะมาก็ไม่เป็นไรเขาจะไปก็ไม่เป็นไรนะเพราะถ้าเราจิตเราไวพอเราจะเห็นสภาวะความเกิดดับของเขาได้นะความเกิดดับเลยสั้นๆเราก็เห็นนะความโกรธเห็นได้ชัดนะความโกรธที่เล็กๆน้อยๆพอมีความโกรธปุ๊บเราเห็นเลยว่า พอเรารู้ทันนี่เขาก็ดับไปเลยนะนี่นี่มันเห็นความเกิดดับในตรงนั้นได้ในขณะที่มันเกิดยาวๆก็ไม่เป็นไรอเราก็รู้ว่าเมื่อวานนี่มันโกรธทั้งวันก็ไม่เป็นไรเออมันก็ดับไปแล้วนะเหตุการณ์ของเมื่อวานก็คือของเมื่อวานนั้นนะตรงเนี้ยถ้าเรา อ, อยู่ตรงนี้กับปัจจุบันบ่อยๆเราจะเห็นภาวะที่มันเกิดดับได้ในแต่ละขณะแต่ละนาะตามความเป็นจริงแต่ว่าความเกิดดับเราไม่ต้องไปตั้งใจคอยดูก็านะ ไม่ต้องไปคอยดูแต่อย่างใดเพราะเราทําไปตั้งใจด้วยตัณหาแล้วมันก็จะเป็นการเจริญด้วยตัณหาไปแต่เราให้อยู่กับตัวรู้บ่อยๆรู้กับปัจจุบันนี่แหละขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นในกายและใจก็รู้เนาะได้ยินเสียงก็รู้ไปตามความเป็นจริงรู้เฉยๆได้ยินเสียงก็รู้ไปมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ไปแค่รู้เท่านั้นเองนะรู้เฉยๆรู้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขรู้โดยไม่ต้องมีความคิดใดๆ นะแต่ว่าเขาคิดก็ไม่ผิดอย่างที่ว่าแล้วความคิดอย่าไปห้ามแล้วนะเพราะว่าเราจะเห็นสภาวะเกิดดำในทางใจอีกครั้งหนึ่งนะนี่แหละคือคือความจริงของอญญายันดทั้งหกที่ว่าอเขาเขาเป็นประตูประตูแห่งแห่งโลกของเราน ะ, ะถ้าเราตาบอดโลกเราจะหายไปหูหนวกโลกก็จะหายไปแต่ว่าโลกของเขาโลกของความจริงนะมันมันอยู่ข้างหน้าเราอยู่ต่อหน้าเราเดี๋ยวนี้นั่นแหละ สิ่งที่ปรากฏในใจของเรานะ ค, ค, คือความพอใจและความไม่พอใจหรือเฉยๆเราก็รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเราอย่าไปแทรกแซงเขานะอย่าไปจัดการเขาอย่าไปขับไล่เขาขับไล่ใส่ส่งหรือว่าไปยึดติดเขาเขาชอบใจก็ไม่เป็นไรไม่ต้องผักใส่เขาบางคนเออรู้ว่าชอบใจก็อย่าไปติดอย่าไปยึดปล่อยวางไม่ไม่เป็นไรมันจะติดมันจะยึดมันจะไม่ปล่อยวางก็ไม่เป็นไร ก็รู้ไปเฉยๆก็พอแล้วนะเพราะฉะนั้นความโกรธเหมือนกันเกิดในใจเราอนะ่มันจะอยู่มันจะไปก็ไม่เป็นไรเราแค่รู้เฉยๆก็พอแล้วเราสําคัญว่าเรากล้ารู้เฉยๆไหมเองนะ ไ, ไม่ต้องแทรกแซงรู้ได้ใจเป็นกลางถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางเราจะเห็นสภาพวะธรรมที่มันเกิดดับได้ตลอดเวลาเนาะเพราะถ้าเราเห็นความเกิดดับได้ไบ่อยๆแล้วจิตก็จะเกิดการปล่อยวางโดยตัวเขาเองเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาจิตนี้เราไม่ได้ไปยุ่งกับเขานะ จิตเนี่ยเขามีสติมีปัญญาในตัวเขาแล้วนะเขาสามารถปล่อยวางได้โดยตัวเขาเองแล้วเพราะจิตจริงๆแล้วมันถ้าเราใจเราสบายๆนะใจเราสบายๆมันมันแยกกับมันอยู่เองแล้วนะมันขันห้าเนี่ยมันแยกอยู่เองแล้วนะแต่เมื่อใดที่เราเริ่มไปจัดการอะไรก็มันก็แล้วแต่มันก็จะรวมมันก็จะรวบเข้ามาเป็นตัวเป็นตนอีกครั้งนึง เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจใตรงนี้ก็คือขันห้ามันทํางานของเขาเองอตาเห็นรูปทํางานเขาเองเรารู้เฉยๆก็พอแล้วเขาก็ดับไปหูได้ยินเสียงนะถ้าเรารู้เฉยๆเขาก็ดับไปเราไม่ไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆนะมันจะแยกกับมันเองนะกายใจมันแยกกับมันเองนะเราสังเกตนะกายมันเดินไปถ้าเราไม่ให้ค่าเราก็เห็นเห็นว่ามันแค่ไกลเดินมันไม่ใช่เราเนาะ จิตมันคิดไปนะถ้าเราเห็นมันก็คือเป็นแค่ความคิดก็เป็นสิ่งที่เขาคิดไปไม่ใช่เรานี้มันมันไม่ได้ให้ค่าจิตมันแยกกันในตรงนั้นะในสุดมันก็แยกขันห้าไปในตัวก็คือเมื่อใจมันสบายสๆนะไม่ได้ไปกังวลอะไรไม่ได้ไปคิดอะไรเยอะไม่ได้ไปให้ค่าอะไรมันมันแยกกันอยู่แล้วนะขันห้ามันแยกกันอยู่แล้วนะเพราะฉนั้นเมื่อเราไปให้ค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ มันจะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งนะไปตั้งใจอะไสักอย่างมันก็จะมารวมกันแล้วในสุดถ้ามารวมกันเมื่อเราปฏิบัติในที่สุดแล้วมันก็จะแยกกันอย่างเก่ามันจะแยกกันออกไปอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ว่าเราเข้าใจในตรงนี้ไหมย่างนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วนั้นทุกอย่างมันแยกกันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราไม่หน้าที่เป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะเป็นผู้ดูรู้ซื่อเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนี่แหละมันจะแยกกันในตรงนี้นะไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปให้ค่ากับมันแล้วทุกอย่าง มันจะเป็นสภาวะที่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเป็นตรรกะตเป็นเช่นนั้นเองขันห้ามันจะเราจะเข้าใจในที่สุดว่ามันก็ไม่ใช่เราไม่ตัวไม่ตนขอ ง, งเรานะโลกทั้งโลกไม่ไม่มีอะไรเลยนะมันแค่จิตเราเท่านั้นเองเมื่อเราเข้าใจจิตของเราเท่านั้นเราจะเข้าใจโลกทั้งโลกนะในที่สุดนะจิตมันก็จะเกิดการปล่อยการวางกันไม่ติดด้านหนาแโลกมันก็จะหมดไปกิตเลยตัณหาก็จะหมดจากใจของเรานะในตรงนี้ในที่สุด เ, เาราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้ โดยการที่เราเข้าใจจิตอย่างจําแจ้งนะตรงนี้นะเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์แท้จริงเนาะเพราะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบาลีคุณพระตาลไตน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิน